ขอกาดอาจารย์ครับเมื่อคืนใครในสัตว์ชิดบ้างมี่หนมะไม่มี <c oughs> ที่แรกนิมนต์หลวงพ่อบอกว่าจะมีพวกในสัตว์ชิว์ฟังนะยังเป็นห่วงเลยว่าจะฟังไหวหรือน <c oughs> วันนี้หัวข้อที่ทางผู้จัดนะให้หลวงพ่อมันเทศนะเป็นหัวข้อที่น่าสนใจชื่อ รู้คิดรู้ทันรู้รมคนตั้งชื่อต้องรู้หลักของการภาวนาและไม่งั้นตั้งชื่อไม่ได้แบบนี้หรอกคาว่ารู้คิดถ้าเรารู้จักจิตที่คิดสิ่งที่เราจะได้นะคือจิตที่มีสมาธิถ้าเรารู้ทันสภาวะรู้ประธรรมนามธรรม ท, ที่กาลังปรากฏ สิ่งที่ได้คือสติมันขาดไปอันหนึ่งต้องรู้จริงด้วยรู้ถูกรู้ทันอย่างเดียวมีสติต้องรู้ถูกด้วยที่มีปัญญาถ้ารู้ถูกก็จะรู้ธทำนี่เป็นลําดับเป็นขั้นตอนของการปฏิบัติที่ถูกต้องการปฏิบัติทำไ ม, ม่ยากอะไรหรอกเบื้องต้นเราต้องรักษาศี่ห้าให้ได้ก่อนอย่างน้อยที่สุดศีลห้าต้องมี ศีลแปดนนะถือเป็นคลังคราวตามโอกาสเป็นคารวะถือศีล8ปดตลอดนะถ้าทำม า, ากินทำงานหนักอนะไรเนี้ยทีร่างกายทนไม่ไหวเราก็ถือกันเป็นคลังคราวพามีศีลแล้วเราก็มาฝึกสมาธิให้จิตมันตั้งมั่นสมาธิไม่ได้แปลว่าสงบสมาธมิแปลว่าความตั้งมั่นของจิตเนี่ยเราต้องมาเรียน ถ้าเรารู้ทันสภาวะนะรู้รู้ทันใจที่ไหลไปสมาธิชนิดที่ตั้งมั่นก็จะเกิดขึ้นถ้ารู้ทันนะแล้วก็จะสุติจะค่อยเร็วขึ้นเร็วขึ้นนะถ้ารู้ใจที่ไหลไปคิดเนะี่ยจะได้สมาธิขึ้นมาถ้ารู้ได้ตรงความจริงเห็นรูปธรรมนามธรรมตรงตามความเป็นจริงก็จะได้ปัญญา การปฏิบัติไม่เรียงร้อยเป็นเส้นนะเหมือนบันไดไต่ขึ้นมาเป็นลําดับลําดับเบื้องต้นรักษาศีลศีลไม่ต้องไปขอที่ใครศีลคือความเจตนาที่จะไม่ทําบาปอา kusn ทางกายทางวาจาหาข้อการที่เราไปขอกับพระทั้งที่เราก็รู้แล้วว่าศีลห้าเป็นอะไรอัดขอเป็นพิธีก็เป็นเหมือนกับการปฏิญาณตัว นะว่าเราจะรักษาศีลมีพระเป็นพยานให้ถ้าสมัยโบราณสมัยพุทธ ก, กาลใหม่ๆนะคนไม่รู้จักศีลห้าพระก็สอนศีลห้าให้ทุกวันนี้พวกเรารู้จักอยู่แล้วเราไปบอกกับพระมันก็ปฏิญาณตัวว่าเราจะรักษาศีลห้านะถ้ า, าจะทำผิดก็มาต้องละอายใจบ้างถ้าไม่มีพระที่เราจะปฏิญาณเราปฏิญาณกับใจของเรานี่แหละ ตั้งใจรักษาศีลห้าเอาไว้ถ้าเรารักษาศีลห้าได้เนี่ยสมาธิจะเกิดง่ายเพราะศีลนะถ้ารักษาแล้วจิตจะสงบง่ายอย่างรักษาศีลเราไม่ทาร้ายคนอื่นไม่ฆ่าไม่ตีไม่เบียดเบียนสัตว์เนี่ยจิตใจมันมีความเมตตากรุณาขึ้นมาจิตใจมันมีความสุขมันมีความสงบคนคิดจะทำร้ายคนอื่นกับคนไม่คิดทำร้ายใคร คนคิดทำลายคนอื่นมันฟุ้งซ่านคนคิดจะขโมยคนอื่นมันฟุ้งซ่านคนคิดที่จะเสียสละให้ทานให้อะไรอย่างนี้จิตใจมีความสุขมีความสงบได้สมาธิง่ายคนจะเป็นชู้กับเขาจิตใจก็ฟุ้งซ่านคนสันโดษในคู่ของตัวเองก็ไม่ฟุ้งซ่านคนจะโกหกก็ต้องฟุ้งซ่านต้องวางแผนต้องคิดทำไงเขาจะจับไม่ได้นะ คนพูดความจริงไม่ต้องใช้กำลังมากความจริงก็คือความจริงไม่ต้องจำมากจิตใจสงบจิตใจสบายกว่าคนไม่กินเหล้านะสบายกินเหล้าจิตใจฟุ้งซ่านนะงั้นศีลเนี่ยถ้าเรารักษาให้ดนะีจิตใจเราจะสงบง่ายคนไม่มีศีลคนฟุ้งซ่านหาความสุขความสงบไม่ได้งั้นศีลเนี่ยเป็นบาดเป็นฐานเบื้องต้นนะจะทาให้เราฝึกใจของเราให้มีความสุขความสงบ พอเรารักษาศีลได้ดีแล้วต่อมาเรามาต่อยอดขึ้นสู่คำว่าสมาธิสมาธิมีสองอย่างสมาธิชนิดที่1จิตไปเพ่งอยู่ในอารมณ์เดียวภาษาปริยัติเขาเรียกว่าอารมณูปนิชฌานเพ่งอารมณ์สมาธิชนิดที่สองจิตตั้งมั่นเห็นรูปธรรมนามธรรมา ท, ทั้งหลายเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเกิดดับได้สมาธิที่จิตตั้งมั่นอยู่ที่จิตเนี่ย เรียกว่ารักขณูปนิชฌานเป็นสมาธิที่จะใช้ทําวิปัสสนากรรมฐานเจริญปัญญาสมัยก่อนครูบาอาจารย์สอนหลวงพ่อมานะท่านสอนมาด้วยภาษาที่คนรุ่นนี้อาจจะฟังยากอย่างหลวงปู่เทศท่านสอนหลวงพ่อท่านบอกว่าสมาธิมีสองแบบนะอันหนึ่งไปเพ่งเพ่งอารมณ์นิ่งๆอยู่ท้าเรียกว่าฌาน อีกอันนึงตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานท่านเรียกสมาธิหลวงปู่ดุลก็สอนบอกอย่าส่งจิตออกนอกจิตที่ส่งออกนอกให้จิตที่เคลื่อนไปจิตที่ไหลไปเคลื่อนไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเคลื่อนไปทางใจไปคิดไปนึกไปปรุงไปแต่งเคลื่อนไปเพ่งอารมณ์ไปทำสมถะเพ่งอารมณ์นี่จิตเคลื่อนทั้งสิ้นเลย หลวงปู่ ด, ดูลย์บอกอย่าส่งจิตออกนอกให้มีจิตที่ตั้งมั่นจิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนั่นแหละจิตที่จะใช้สําหรับทําวิปัสสนากรรมฐานเจริญปัญญาสมาธิชนิดตั้งมั่นเนี่ยเป็นสมาธิเฉพาะในพระพุทธศาสนาสมาธิที่จิตสงบอยู่ในอารมณ์เดียวเป็นสมาธิสาธารณะศาสนาอื่นนักปราชถนอื่นเขาก็สอนได้ถึงไม่มีพระพุทธเจ้าเขาก็สอนสมาธิให้จิตสงบอยู่ในอารมณ์เดียว นะัถ้าพวกเราทําสมาธิพระพุทธเจ้าท่านไม่ปฏิเสธอย่างศีลก็มีมาก่อนพระพุทธเจ้าเราสมาธิมีมาก่อนพระพุทธเจ้าเราสมาธิชนิดที่สงบเนี่ยท่านไม่ปฏิเสธเพราะท่านก็เห็นว่ามันมีประโยชน์นี่สมาธิมันไม่ได้จบอยู่แค่จิตสงบอยู่ในอารมณ์มันเดียวสมาธิสําคัญเลยที่เป็นสมาธิของชาวพุทธเป็นตัวแตกหักเลยว่าเราจะทําวิปัสสนาได้ไหมจะเจริญปัญญาได้ไหม ก็คือสมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานคําว่าพุทโธพุทโธคำว่าศาสนาพุทพุทโธพุทโธก็คือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเราต้องมาฝึกจิตของเราให้เป็นพุทโธตัวจริงสมัยก่อนหลวงพ่อเรียนจากครูบาอาจารย์ท่านสอนพุทโธพุทโธพุทโธบางคนก็พุทโธแล้วให้จิตสงบอยู่กับคำว่าพุทโธอันนั้นได้สมถะ นี่หลวงพ่อพุทโธพุทโธแล้วจิตเคลื่อนไปรู้ทันว่าจิตเคลื่อนไปแลจิตส่งออกนอกพุทโธจิตหนีไปแล้วรู้ทันพุโทโธจิตหนีไปแล้วรู้ทันแล้วได้จิตที่ตั้งมั่นขึ้นมางั้นตรงที่เรารู้ทันจิตที่ไหลไปจิตที่ไหลไปนั้นส่วนมากไหลไปคิดที่จริงไหลได้ทั้งหช่องทางไหลไปทางตาไหลไปดูรูปเวลาเราเห็นรูปเห็นอะไรผ่านมานะเราสนใจไปดูจิตเราไหลไปอยู่ที่คนที่เราไปดูจิตเราออกนอก ไปอยู่ที่คนอื่นเรามีร่างกายเราก็ลืมร่างกายเรามีจิตใจเราก็ลืมจิตใจนี่จิตออกนอกไปเพราะจิตออกนอกมีกายก็ลืมกายมีใจก็ลืมใจก็ทํำวิปัสสนาไม่ได้วิปัสสนานั้นต้องเห็นความเป็นจริงคือไตรลักษณ์ของกายของใจงั้นเราจะต้องมาฝึกจิตให้อยู่กับเนื้อกับตัวจิตที่ตั้งมั่นก็คือจิตใจที่อยู่กับเนื้อกับตัวไม่ลืมเนื้อลืมตัวนั่นเองวิธีการนะทําได้2แบบ ถ้าทำฌานทำสมาธิมานะในรูปแบบพอถึงฌานที่สองจิตวางปฏิภาคนิมิตนะที่เป็นอารมณ์จิตที่ไปตรึกไปตรองมีวิตกวิจารในปฏิภาคในแสงสว่างระวางตัวนี้นะจิตจะทวนกระแสกลับเข้ามามาตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมางในพระใจปิฎกนะท่านจะมีสัพท์อยู่คำหนึ่งนะคือคำว่าเอโกทิภาวะ เอกที่ภาวะเกิดในชาตที่2ขึ้นไปก็คือจิตที่ตั้งมั่นทําไมต้องชาตที่2อชาติที่1ยังมีวิตกมีวิจารณมันยังตรึกมันยังตรองไปที่ตัวอารมณ์พอถึงชาตที่2เนี่ยไม่มีการตรึกการตรองจิตจะตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาถ้าเราทําได้ตัวรู้ด้วยวิธีนี้นะตัวรู้ของเราจะแข็งแรงมากจะอยู่ได้นานนะแต่ว่านานยังไงก็ไม่เกิน7วันก็เสื่อมนะก็ต้องมาทําอีก วิธีนี้มันทำยากสำหรับพวกเรานะมันเหมาะกับพระพระมีเวลานั่งสมาธิมากฝึกจิตฝึกใจให้ตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาของเราทายากมันก็ยังมีวิธีที่จะทำให้จิตของเราตั้งมั่นขึ้นมาแต่มันจะตั้งได้เป็นขณะขณะเป็นคณิกะสมาธิวิธีที่จิตจะตั้งมั่นเนี่ยก็คือรู้ทันจิตที่ไหลไปจิตของเราชอบหลงไปทางตาถ้าเรารู้ทันจิตก็จะตั้งมั่น จิตชอบหลงไปทางหูถ้าเรารู้ทันว่ากำลังหลงไปฟังเสียงอยู่แล้วจิตก็จะตั้งมั่นหลงไปทางดมกลิ่นไปริมรสไปรู้สมัมผัสทางกายนะถ้าเรารู้ทันว่าจิตหลงไปจิตก็จะตั้งมั่นหลงไปทางใจนะหลงไปคิดนึกปรุงแต่งทางใจเป็นส่วนใหญ่หลงทางใจทำได้สองอย่างหลงไปคิดนึกปรุงแต่งกับหลงไปเพ่งนะเพ่งอารมณ์อย่างดูท้องพองยุไปเพ่งท้อง รู้ลมหายใจไปเพ่งลมหายใจขยับมือไปเพ่งมือขยับเท้าไปเพ่งเท้าเนี่ยจิตมันเคลื่อนนะเวลาไปดูท้องพองยุบเวลาไปดูลมหายใจจิตยังเคลื่อนหมดเลยนะเคลื่อนไปที่อารมณ์อันนี้เคลื่อนทางใจนะถ้าเรารู้ทันจิตที่เคลื่อนไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใ จ, ใจเราจะได้จิตที่ตั้งมั่นจิตที่มีสมาธิจิตที่รู้เนื้อรู้ตัวขึ้นมานี้ถ้าเราดูตั้งหกถวานทํายากดูจิต วิ่งไปดูรูปวิ่งไปฟังเสียงไปดมกลิ่นไปลิ้มรสไปรู้สัมผัสทางกายวิ่งไปทางใจมันเยอะไปหมดดูยากสําหรับคนหัดใหม่เราเอาวันเดียวเอาจิตที่ไหลไปทางใจพราเกิดบ่อยที่สุดจิตที่ไหลทางใจที่มีมากที่สุดนะคือจิตไหลไปคิดตื่นนอนมาจิตของเราก็ไหลไปคิดแล้วนะงั้นให้เราคอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปคิดจิตเราไหลไ ป, ไปอยู่ในโลกของความคิดเมื่อไหร่นะให้รู้ทันจิตจะตื่นขึ้นมา งั้นเรามาหัดพุดโทโธพุโทโธก็ได้นะมารู้ลมหายใจที่กระทบอย่างเงี้ยรู้ไปสบายๆอย่าไปเพ่งให้จิตนิ่งให้คอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนถ้าเรารู้ทันจิตที่เคลื่อนไปปั๊บนะจิตจะตั้งมั่นโดยอัตโนมัติห้ามรักษาไว้ให้มันเป็นธรรมชาติธรรมดานะจิตเคลื่อนไปจิตไหลไปคิดให้รู้จิตไหลไปคิดให้รู้เบื้องต้นให้ทำกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาสก่อน ถ้าเราอยากได้มากผลนิพพานในชีวิตนี้นะทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งขึ้นมาก่อนพุทโธก็ได้รู้ลมหายใจก็ได้ดูท้องพองยุบก็ได้อะไรก็ได้นะถนัดกรรมฐานอะไรใช้กรรมฐานอันนั้นแหละมันไม่ขัดแย้งกันหรอกทํากรรมฐานอย่างหนึ่งแต่ไม่ใช่ทําเพื่อน้อมจิตให้ไปสงบอยู่กับกรรมฐานอันนั้นไม่ใช่พุทโธเพื่อน้อมจิตให้ไปอยู่ที่พุทโธไม่ได้รู้ลมหายใจเพื่อน้นอมจิตไปอยู่ที่ลมหายใจ ไม่ได้ดูท้องผ่องยุบเพื่อน้อมจิตไปอยู่ที่ท้องไม่ได้เดินจงกรมให้จิตไปอยู่ที่เท้าไม่ได้ขยับมือให้จิตไปอยู่ที่มือถ้าจิตไปอยู่ในที่ใดที่หนึ่งเคลื่อนไปอยู่ที่ใดที่หนึ่งเรียกว่ารัมมานูปนิชานเป็นเรื่องของสมถากรรมฐานเป็นสมาธิชนิดที่1นแต่ถ้าเราทากรรมฐานอย่างหนึ่งแล้วเรารู้ทันจิตที่เคลื่อนไปเราจะได้สมาธิชนิดที่สองคือสมาธิที่จิตตั้งมั่น จิตไม่เคลื่อนโดยที่ไม่ได้รักษาเนี่ยความยากอยู่ตรงนี้เองไม่เคลื่อนโดยที่ไม่ได้รักษาไว้นะถ้าเราประคองไว้รักษาไว้ควบคุมไว้นะจิตไม่เคลื่อนแต่ว่าบังคับไวน้นปัญญาไม่ได้จิตจะนิ่งนิ่งลูกเดียวไม่เดินปัญญางั้นตัวนี้แหละเป็นตัวสําคัญนะสมัยก่อนหลวงพ่อไปเรียนจากครูบาอาจารย์เมื่อสัก30ปีก่อนตะเวนตามวัดโน้นวัดนี้ออกมาครูบาอาจารย์สอนลงมาที่เดียวกันหมดเลยท่านบอกว่าต้องมีตัวรู้นะ มีจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็คือจิตที่ตั้งมั่นนั่นเองหลวงพ่อฝึกจิตไหลไปเรารู้ไหลไปเรารู้นะได้จิตที่ตั้งมั่นขึ้นมาพอเราได้จิตที่ตั้งมั่นแล้วเนี่ยเรารู้ทันจิตที่เปลียนคิดนะจะได้จิตที่ตั้งมั่นก็ได้สมาธิเนี่ยในหัวข้อที่ให้หลวงพ่อเทศน์วันนี้ก็มีรู้คิดรู้คิดจะได้อะไรรู้ว่าจิตคิดนะจะได้สมาธิไม่ใช่รู้เรื่องที่คิดนะ รู้เรื่องที่คิดหมามันคิดหมามันก็รู้เรื่องแมวคิดแมวก็รู้เรื่องให้เรารู้ว่าจิตไปคิดถ้ารู้ว่าจิตคิดเราจะได้สมาธิในจิตที่อยู่กับเนื้อกับตัวจิตที่ไม่ลืมเนื้อลืมตัวจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวขึ้นมาเมื่อเราได้สมาธิที่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วเนี่ยเราถึงจะเจริญปัญญาได้นะเรารู้ลงปัจจุบันนะเรารู้ทันสภาวะของรูปธรรมนามธรรมในปัจจุบัน ร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกร่างกายยืนร่างกายเดินร่างกายนั่งร่างกายนอนคอยรู้สึกอย่าใจลอยอย่าให้ใจมันเลื่อนลอยหนีไปจากร่างกายลืมร่างกายจิตใจเคลื่อนไหวก็รู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวก็รู้สึกถ้าเรานั่งอยู่อย่างนี้มันเคลื่อนไหวน้อยเราก็เห็นร่างกายหายใจเดี๋ยวก็หายใจออกเดี๋ยวก็หายใจเข้าร่างกายเคลื่อนไหวอยู่ตลอดการที่เราคอยรู้เท่าทันสภาวะของรูปธรรมนามธรรมที่กําลังปรากฏอยู่ในปัจจุบันเนืองเนือง เรีว่ารู้ทันปัจจุบันอารมณ์ไปเนืองเนืองนะสิ่งที่เราจะแก่กล้าขึ้นมาพัฒนาขึ้นมาคือสติสติเป็นสภาวะธรรมที่มีหน้าที่ระลึกรู้นะสภาพธรรมที่กําลังปรากฏในปัจจุบันสติไม่ได้หลงไปอดีตหลงไปอนาคตสติต้องรู้สภาวะธรรมสภาพธรรมที่กาลังปรากฏในปัจจุบันหน้าที่ของสติคือรักษาจิตนะคุ้มครองจิตถ้าเมื่อไหร่สติเกิด จิตที่เป็นอกุศลจะดับทันทีจิตที่เป็นกุศลจะเกิดขึ้นทันทีนะถ้าขาดสติเมื่อไรจิตเป็นอกุศลทันทีเลยงั้นล้ให้เราคอยรู้สึกนะถึงสภาวะธรรมสภาพธรรมคือรูปธรรมนามธรรม ท, ที่กำลังปรากฏในปัจจุบันร่างกายหายใจออกรู้สึกร่างกายหายใจเข้ารู้สึกร่างกายยืนเดินนั่งนอนรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกร่างกายหยุด น, นิ่งรู้สึกอย่างนี้จะได้สติ ต่อไปเวลาเราเผลอลืมเนื้อลืมตัวเราเกิดขยับตัวขึ้นโดยไม่ได้เจตนาจะขยับนสติมันจะระลึกได้เองว่าร่างกายกำลังเคลื่อนไหวนะจะรู้สึกตัวขึ้นมาได้หรือดูความรู้สึกทางใจก็ได้ความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ที่เกิดขึ้นหัดรู้เรื่อยๆใจเป็นสุขก็รู้ใจเป็นทุกข์ก็รู้ใจเฉยๆก็รู้หัดรู้เรื่อยๆต่อไปพอจิตใจมีความรู้สึกใดแปลกปลอมเข้ามาสติจะเกิดขึ้นเอง หรือหาดรู้คนไหนขี้โมโหนะขี้โลภขี้โกรธขี้หลงอะไรเนี่ยดูตัวเองขี้โมโหก็เอาจิตที่โมโหแหละมาระลึกรู้นะจิตโกรธขึ้นมารู้ทันจิตหายโกรธรู้ทันนี่คือการฝึกให้มีสตินะจิตคนไหนขี้โลภเจออะไรก็อยากได้ตลอดเวลานะอยากเห็นรูปอยากได้ยินเสียงอยากได้กลิ่นอยากได้รสอยากสัมผัสทางกายอยากสนุกสนานคิดนึกทางใจนะ ความอยากเกิดขึ้นในใจมีสติรู้ทันตัวโลภะเกิดขึ้นเรารู้ทันโลภะก็จะดับให้ดูจิตเราก็จะมีทั้งวันนะมีสองอย่างมีจิตโลภกับจิตไม่โลภคนในขี้โมโหทั้งวันมันก็จะมีจิตโกรธกับจิตไม่โกรธงั้นเวลาท่านสอนให้ฝึกสติเนี่ยมีสติดูจิตดูใจท่านจะสอนเป็นคู่คู่ดูกราภิกสูตทั้งหลายเมื่อจิตมีราคะให้รู้ว่ามีราคะจิตไม่มีราคะรู้ว่าไม่มีราคะเห็นไหมดูเป็นคู่คู่ ถ้าเราเป็นพวกรักข้ามากอยากมากโลภมากนะเราก็ดูไปทั้งวันเดี๋ยวก็โลภเดี๋ยวก็ไม่โลภเดี๋ยวก็โลภเดี๋ยวก็ไม่โลภคนในขี้มโมโหก็เอาอย่างที่ท่านบอกดูกร้าภิกษุทั้งหลายจิตมีโทสะให้รู้ว่ามีโทสะจิตไม่มีโทสะก็รู้ว่าไม่มีโทสะเวลาเรียนเรียนเป็นคู่คจิตฟุ้งซ่านกับจิตหดหูก็เป็นอีกคู่หนึ่งนะจิตมีโมหะนะฟุ้งซ่านหลงไปอะไรนะไม่รู้ผิดรู้ชอบกนะับจิตไม่มีโมหะนี มีปัญญาเวลาดูดูเป็นคู่คู่นะเนี่ยหัดดูสภาวะไปเรื่อยนะไม่ต้องรู้สภาวะทุกๆตัวตัวไหนมีมากเอาตัวนั้นเป็นเครื่องอยู่การที่เราหัดรู้เรื่อยๆนะจิตโกรธก็รู้จิตหายโกรธก็รู้จิตโลภ ก, ก็รู้จิตไม่โลภ ก, ก็รู้กกรู้บ่อยๆต่อไปเราไม่ได้เจตนาเลยพอจิตม่เกิดโกรธขึ้นนิดเดียวนะสติเราลึกได้เองรู้ทันขึ้นมาว่าโกรธแล้วหรือหัดดูสภาวะไปเรื่อย จิตโลภขึ้นมาแวบเดียวก็เห็นแล้วว่าจิตโลบการที่เราหัดรู้สภาวะของรูปรธรรมรู้สภาวะของนามธรรมเนืองๆจิตจําสภาวะได้แม่นยําจะเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสติในพระพิธรรมถึงสอนบอกว่าทิรัสัญญาคือการที่จิตจําสภาวะได้แม่นยําเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสตินะเพราะงั้นที่ว่ารู้ทันรู้ทันนะรู้ทันรูปรธรรมรู้ทันนามธรรมทั้งหลายที่กําลังปรากฏได้ไปเนี่ย เราจะได้สติที่เข้มแข็งขึ้นเรื่ๆจนกลายเป็นสติอัตโนมัติไม่ได้เจตนาจะรู้สึกมันก็รู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวนี้รู้สึกเองเลยนะอย่างเรียนกับหลวงพ่อสักพักหนึ่งเนี่ยก็ทั่งนอนหลับนะร่างกายพลิกซ้ายพลิกขวารู้สึกหมดนะร่างกายกลนยังรู้สึกเลยนะยังรู้สึกขนาดหลับนะยังมีความไม่ขาดสติเลยนะค่อยฝึกไปเรื่อยๆนี่เรามาฝึกเนี่ยเราไม่ได้ฝึกแค่ว่าให้มีสติ ไม่ได้ฝึกให้มีแค่สมาธิไม่ได้ฝึกให้มีสตินะแต่เราอาศัยสมาธิและสตินี่แหละมาทำให้เกิดปัญญาสมาธิพูดไปแล้วนะคือสภาวะที่จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสติเป็นตัวรู้ทันว่ามีอะไรเกิดขึ้นในกายในใจพอถึงขั้นของการเจริญปัญญาเนี่ยการทำวิปัสสนากรรมฐานให้เรามีสติรู้รูปรู้นามไปนะ แต่รู้ได้จิตที่ทรงสมาธิตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเราพ่อสรุปออกมาง่ายๆสำหรับสอนให้โยมฟังเนะี่ยบอกว่าให้มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางคำว่าจิตตั้งมั่นและเป็นกลางก็คือตัวจิตพุโทโธคือตัวจิตผู้รู้นั่นเองจิตที่ตั้งมั่นไม่ใช่จิตสงบนะแล้วจิตสงบนิ่งเฉยนั้นเอาไว้พักผ่อน ส่วนจิต ท, ที่ตั้งมั่นเนี่ยมันจะเห็นความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของรูปธรรมนำมาทาได้แต่จิตเป็นแค่คนดูไม่เข้าไปแทรกแซงถ้าจิตสามารถเป็นคนดูได้นะแล้วก็สติระลึกรู้ความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงในกายความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงในใจในขณะนั้นปัญญาจะเกิดคือจะเห็นไตรลักษณ์ปัญญาไม่ได้เห็นปฏิกูณาสุภนะบางคนบอกว่าจเจริญปัญญาเห็นร่างกายเป็นปฏิกูณาสุภเนะี่ย อันนั้นไม่ใช่วิปัสสนากรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานต้องเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของรูปธรรมนามธรรมนะถ้าจิตของเราตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานได้นะสติระลึกรู้ร่างกายสมมร่างกายกําลังหายใจออกสติเป็นคนระลึกรู้เห็นร่างกายหายใจออกใจเป็นคนดูมันจะเกิดสภาวะที่กายกับใจเนี่ยแยกออกจากกันร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไ ป, ไปใจอยู่ต่หากเป็นคนดู กายกับใจแยกออกจากกันนี่เป็นปัญญาขั้นต้นนะเรียกว่านามรูปปริเฉทญาณ น, นะรูปกับนามแยกออกจากกันแล้วนามกับนามก็แยกออกอีกรูปก็แยกออกไปได้อีกในบรรดารูปทั้งหลายนะแยกละเอียดออกไปนะก็เป็นธาตุดินน้ำฝ่าลมแต่ว่าเราจะแยกรูปออกไปอย่างนั้นได้จิตต้องทรงสมาธิถ้าทรงสมาธิผ่านฌานมาแล้วเนี่ยจะแยกง่ายถ้าอย่าระดับพวกเราเนี่ยจะแยกลงไปถึงธาตุนยียากมากเลย แค่เห็นร่างกายหายใจออกร่างกายหายใจเข้าได้ก็บุญนักหนาแล้วล่วนะอย่าถึงขนาดแยกธาตุออกไปเลยนะยากมากเลยส่วนจิตใจนะเราก็มาดูมันแยกได้อีกความสุขความทุกข์มันเกิดขึ้นนะความสุขมันเกิดขึ้นความทุกข์มันเกิดขึ้นใจเราเป็นคนดูเราจะเห็นเลยว่าสุขทุกข์กับจิตนั้นคนละอันกันนี่เราเริ่มแยกขันออกไปลนะกุศลอกุศลเกิดขึ้นในจิตเราก็มีสติะระลึกรู้กุศลอกุศลที่กําลังปรากฏมีจิตตั้งมั่นเป็นคนดูอยู่ เราก็จะเกิดปัญญาเห็นเลยว่ากุศลอกุศลนั้นไม่ใช่จิตหรอกเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาเป็นคนละขันกับจิตเนี่ยค่อยฝึกนะักขันมันจะค่อยคอยแยกตัวออกไปการที่หัดแยกขันเนี่ยเป็นจุดตั้งต้นของการเจริญปัญญาเพราะเราได้จิตที่ทรงสมาธิรู้เนื้อรู้ตัวแล้วอย่ารู้ตัวอยู่เฉยนะ ถ้ารู้ตัวอยู่เฉยๆไม่เกิดปัญญาบางคนไปสอนบอกว่าทําจิตให้ว่างทําจิตให้นิ่งพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างนั้นการทําจิตให้นิ่งให้ว่างหรือทําจิตให้รู้ตัวอยู่เฉยๆไม่ได้เจริญปัญญานะจะต้องมีโน้มน้อ ม, อมจิตที่เหมาะสมแล้วนะนะั่นน่ะไปเพื่ อ, อยามทัศนะในพระใจบีโดก็พูดนะพอจิตสงบนะตั้งมั่นอ่อนโยนคล่องแคล่วว่องไวควรแก่การงานแล้วเนี่ยให้โน้มน้อ ม, อมจิตไปเพื่ อ, อยามทัศนะไม่ใช่อยู่ๆก็อยู่แค่นั้นนะ รักษาจิตให้นิ่งให้ว่างแล้วก็ไม่ต้องทําอะไรนั้นไม่ใช่คําสอนของพระพุทธเจ้าปัญญาจะไม่เกิดต้องน้มน้อมจิตไปเพื่อยานทัศนะมิธีน้มน้อมจิตไปเพื่อยานทัศนะก็คือหัดแยกรูปแยกนามแยกธาตุแยกขันธ์นั่นเองเช่นมาหาบัวเคยสอนนะบอกว่าถ้าแยกธาตุแยกขันธ์ไม่เป็นนะอย่ามาคุยอวดกับเรานะว่าเจริญปัญญาท่านพูดขนาดนี้นะกับปริยัตยิเนี่ยตรงกันเป๊ะเลยนะก็ต้องแยกธาตุแยกขันธ์ให้เป็น พวกเราก็ต้องหัง <Stars> ในแยกธาตุแยกขันธ์ขั้นแรกใจหนีไปคิดรู้ทันใจห น, ในีไปคิดรู้ทันนเราจะได้ความรู้สึกตัวได้จิตที่อยู่กับเนื้อกับตัวพอจิตใจเราอยู่กันเนื้อกับตัวแล้วเรานั่งอยู่เนี่ยเราดูลงไปร่างกายมันนั่งใจเราเป็นคนดูร่างกายมันนั่งใจเป็นคนดูค่อยๆสังเกตไปร่างกายหายใจออกใจเป็นคนดูร่างกายหายใจเข้าใจเป็นคนดู ร่างกายยืนเดินนั่งนอนใจเป็นคนดูหัดอย่างนี้เรื่อยสุดท้ายเนี่ยจิตที่มันตั้งมั่นแล้วเนี่ยมันจะสามารถเห็นได้ว่าร่างกายกับจิตเนี่ยเป็นคนละอันกันเราต้องแยกขันให้ออกถ้าแยกขันไม่ออกนะทมวิปัสนาไม่ได้นะวิปัสนาเนี่ยต้องเห็นขันแต่ละขันเห็นสภาวะแต่ละสภาวะนะเกิดแล้วดับไปนะถ้าขันมันรวมตัวเป็นกระจุกเดียวกันอย่างเป็นตัวเราขึ้นมาทั้งตัวอย่างเงี้ยทำวิปัสนาไม่ได้จริงเนาะ เพราะฉะนั้นจิตที่ตั้งมั่นเนี่ยสาคัญมากนะจิตที่เป็นคนดูแล้วก็ค่อยระลึกลงไปร่างกายเป็นของถูกรู้จิตเป็นคนดูอยู่พอนั่งไปนานๆมันปวดมันเมื่อยขึ้นมาก็สังเก ต, ตอีกร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งความปวดความเมื่อ ย, อยอยู่อีกส่วนหนึ่งเป็นคนละอันกันร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งความปวดความเมื่อยเป็นอีกอันหนึ่งจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ดูเป็นอีกอันหนึ่งนี่เราสามารถแยกได้ขันอีกตัวหนึ่งนะเวทนาขันแยกออกมาล้ความสุขความทุกข์บางทีก็เกิดที่กาย บางทีก็เกิดที่จิตถ้าเกิดที่จิตเราก็ดูไปความสุขความทุกข์ที่เกิดที่จิตนะก็ไม่ใช่จิตหรอกเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้านะหัดอย่างนี้ไปด้วยอย่างเรานั่งมากๆนะเราเห็นร่างกายนั่งร่างกายกับจิตเป็นโคนละอันพอนั่งไปปวดนะเห็นเลยความปวดกับร่างกายก็คนละอานความปวดกับจิตก็คนละอันพอปวดมากๆเนี่ยจิตทุรนทุรายนะชักเป็นห่วงสังขารร่างกายนั่งนานอย่างนี้นนเดี๋ยวจะเป็น ง, ง่อยไหมอะไรเงี้ยชักคิดมาก จิตใจกังวลขึ้นมานะเป็นห่วงร่างกายจิตใจกระสับกระสายขึ้นมาเราก็รู้ทันความกระสับกระสายความกังวลที่เกิดขึ้นเราจะเห็นว่าความกระสับกระสายความกังวลใจนั้นเป็นคนละอันกับจิตแต่เดิมจิตไม่ได้กระสับกระสายจิตไม่ได้กังวลใจนะความกระสับกระสายความกังวลใจมันมาทีหลังมันเป็นคนละอันกันพอเรามีสติรู้ทันนก็จะเห็นเลยความกระวนกระวายใจนะก็เกิดได้ดับได้นะ เนี่ยค่อยๆหัดอย่างนี้นะเรียกว่าหัดแยกขันถ้าแยกขันไม่ได้นะยังทำวิปัสสนาไม่ได้การแยกขันเนะ่เป็นการเจริญปัญญาขั้นพื้นฐานที่สุดเลยนะขั้นแรกเลยถัดจากนั้นเราก็มาดูต่อไปนะว่าเมื่อเราแยกขันออกมาได้แล้วอย่างความสุขเกิดขึ้นเรามีสติรู้ถันใจเป็นคนดูปัญญามันจะเกิดมันจะเห็นได้ความสุขเนี่ยอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไป <ersch> ความทุกข์เกิดขึ้นเรามีสติรู้ทันใจเป็นคนดูอยู่เราก็จะรู้ทันว่าความทุกข์อยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปความโลภความโกรธความหลงเกิดขึ้นนะสติระลึกรู้ว่ามีความโลภความโกรธความหลงเกิดขึ้นจิตตั้งมั่นเป็นคนดูอยู่ก็จะเห็นว่าความโลภโกรธหลงอะไรทั้งหลายนั้นเกิดขึ้นแล้วอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับไปเนี่ยการที่เราเห็นสภาวะทั้งหลายนะเกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปมีแต่สภาวะ ไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่มีเราไม่มีเขาในสภาวะทั้งหลายเลยอย่างความสุขก็ไม่ใช่คนนะความทุกข์ก็ไม่ใช่คนความสุขก็ไม่ใช่ตัวเราความทุกข์ก็ไม่ใช่ตัวเรานะความโลภความโกรธความหลงไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขานะค่อยหัดรู้สึกหัดรู้สึกไปเรื่อยนะต่อไปมันจะค่อยๆล้างความเห็นผิดลงไปเรื่อยนะก็จะเกิดปัญญานี่เรียกว่ารู้ตามความเป็นจริงรู้ถูกต้อง รู้ถูกต้องก็คือเห็นกายนี้เป็นไตรลักษณ์ <S <S <an> <S เห็นจิตใจนี้เป็นไตรลักษณ์ <S <S <an> <S เห็นรูปธรรม <S an> นามธรรมทั้งหลายเป็นไตรลักษณ์ถ้าเราเห็นได้มากเข้ามากเข้าเนี่ยถึงจุดหนึ่งนะอริยมรรคอริยผลจะเกิดขึ้นเองไม่มีใครสั่งจิตให้เกิดอริยมรรคได้ไม่มีใครสั่งจิตให้เกิดอริยผลได้อย่าว่าแต่จะสั่งจิตให้เกิดอริยมรรคเลยสั่งจิตว่าอย่าฟุ้งซ่านมันยังไม่เชื่อเลยสั่งจิตว่าอย่ากโกรธมันยังไม่เชื่อเลย แต่ว่าจิตที่ได้ฝึกฝนดีแล้วนะสติสมาธิปัญญาแก่รอบพอแล้วนะอริยมรรคถึงจะเกิดได้หน้าที่ของเราก็คือทาเหตุไปให้มากนะรักษาศีลห้าเป็นพื้นฐานไว้นะแล้วก็มาฝึกจิตนี้ไปคิดรู้ทันจิตนี้ไปคิดรู้ทันนะเราจะได้จิตที่ตั้งมั่นมีสมาธิจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวพอมีจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วก็คอยสังเกต ร่างกายเป็นของถูกรู้ถูกดูจิตใจเป็นของถูกรู้ถูกดูนะหัดแยกไปด้วยหัดดูไปด้วยเห็นความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของมันไปเรื่อยสุดท้ายปัญญาก็เกิดปัญญาเป็นตัวความเข้าใจนะสติเป็นตัวรู้ทันว่ามีอะไรเกิดขึ้นในกายในใจในรูปนามนี้ปัญญาเป็นตัวความเข้าใจความเป็นจริงของรูปธรรมนามธรรม ท, ที่มันปรากฏอยู่ความจริงของรูปธรรมนามธรรมไม่มีสิ่งอื่นเลยมีแต่คำว่าไตรลักษณ์นะั่นะนะคือความจริงของมัน งันวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยต้องเห็นไตรลักษณ์ของรูปธรรมนามธรรม น, นะต้องอยู่กับปัจจุบันนี้แหละและก็ดูของจริงที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้เรื่อยไปเมื่อเราเห็นความจริงซ้ําแล้วซ้ําอีกนะเราก็จะเห็นเลยร่างกายที่หายใจออกอยู่ชั่วคราวแล้วก็สลายไปร่างกายที่หายใจเข้าอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปกลายเป็นร่างกายหายใจออก เนี่ยสับไปสับมานเคลื่อนไปด้วยร่างกายที่ยืนอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปเป็นร่างกายนั่งร่างกายนั่งอยู่ชั่วคราวหายไปเป็นร่างกายนอนร่างกายนอนเปลี่ยนมาเป็นร่างกายนั่งร่างกายนั่งเป็นร่างกายยืนร่างกายยืนเป็นร่างกายเดินนะมันเปลี่ยนไปด้วยนะจะเห็นว่ามันเป็นเหมือนวัตถุมันเป็นวัตถุมันเป็นก้อนธาตุเหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปตามที่จิตสั่ง จิตสั่งให้เดินมันก็เดินแต่สั่งไม่ได้ตลอดบางทีสั่งก็ไม่ได้นะอย่างถ้าฝึกสติีนชำนาญนะเวลาเราหลับเนี่ยเราสั่งร่างกายให้ทำงานไม่ได้จิตจะไปสั่งบอกให้กระดิกนิ้วเนี่ยนิ้วไม่กระดิกเลยนะงั้นจิตเนี่ยไม่ใช่ว่าสั่งกายได้ตลอดเวลาสั่งได้เป็นครั้งเป็นคราวอย่างเวลาเจ็บป่วยมากๆนะสั่งร่างกายสั่งไม่ได้ให้หายป่วยนี่สั่งไม่ได้งั้นว่ามันไม่อยู่ในอานาจเราอย่างใช้จริงหรอก ดูลงไปเรื่อยนะในจิตใจก็มีแต่ของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาในร่างกายก็มีแต่ของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอย่างร่างกายเราเห็นหายใจออกแล้วก็เป็นหายใจเข้านี่ไม่เที่ยงนะหายใจออกเพื่ออะไรเพื่อแก้ทุกข์นะหายใจเข้าก็เพื่อแก้ทุกข์เปลี่ยนอิริยาบถก็เพื่อแก้ทุกข์เพราะร่างกายนี้ถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาร่างกายเราเนี่ยถูกความทุกข์บีบคั้นมาตั้งแต่เกิดเลยเราไม่เห็นนะเราก็นึกว่าร่างกายของเราเป็นของดีของวิเศษ เราลองนั่งไปเรื่อยๆเดี๋ยวๆก็ทุกข์แล้วนะพอทุกข์มันก็ต้องเปลี่ยนอิริยาบทแก้ทุกข์ไปนั้นร่างกายเนี่ยถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ทั้งวันทั้งคืนเราหายใจออกหายใจเข้าก็เพื่อแก้ทุกข์พวกเราลองหายใจเข้าไปเรื่อยๆอย่าหายใจออกนะไม่ถึงครึ่งนาทีเราก็จะรู้แล้วว่าทุกข์นะทำไมเราต้องหายใจออกล่ะเพราหายใจเข้ามาแล้วนะไม่หายใจออกทุกข์นะก็ต้องหายใจออกแก้ทุกข์อีกหายใจออกไปเรื่อยๆนะเพราะทุกข์อีกนะต้องหายใจเข้าแก้ทุกข์อีก เมื่อเรามีความทุกข์บีบคั้นร่างกายเนี่ยอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกเลยขอให้มีสติมีปัญญาเข้าไปสอดส่องให้รู้ให้เห็นเถอะมันจะหมดความรักใร่ยึดถือในกายนี้เลยจิตใจก็เต็มไปด้วยความไม่เที่ยงความสุขก็อยู่ชั่วคราวความทุกข์ก็อยู่ชั่วคราวกุศลก็อยู่ชั่วคราวโลภโกรดหลงก็อยู่ชั่วคราวอะไรๆก็ชั่วคราวในจิตใจของเราตัวจิตเองแท้ๆก็ไม่เที่ยง เดี๋ยวจิตก็เกิดที่ตาแล้วก็ดับลงที่ตาเกิดที่หูแล้วก็ดับลงที่หูเกิดที่ใจแล้วก็ดับลงที่ใจเกิดที่ไหนดับที่นั้นนะ่าเห็นอย่างนี้ตลอดเวลานะสุดท้ายเราก็รู้เลยจิตใจนี้เต็มไปด้วยความไม่เที่ยงจิตเนี้ยแสดงอนัตตาได้ง่ายด้วยนะอย่างเราสั่งจิตบอกว่าจงมีความสุขมันก็ไม่มีพอมีความสุขเกิดขึ้นแล้วเราสั่งว่าจงสุขนานๆอย่าหายมันก็หายเวลาความทุกข์จะมานะเร า, าก็บอกความทุกข์อย่ามามันก็มา นะความทุกมาแล้วเราบอกให้ไปเร็วๆมันก็ไม่ไปนะบอกว่าอย่าโกรธมันก็จะโกรธบอกว่าอย่ารอบมันก็จะรอบบอกให้รู้ตัวไว้มันก็จะหลงนะเราไม่มีอะไรที่เราสั่งได้ในตัวจิตนี้นะจิตจะไปดูรูปหรือจิตจะไปฟังเสียงหรือจิตจะไปคิดเราเลือกไม่ได้อย่างขณะที่ฟังหลวงพ่อพูดนียบางคนก็มองหน้าหลวงพ่อสังเกตไหมว่ามองหน้าหลวงพ่อแว บ, บเดียวนะแล้วก็ฟัง ฟังแว็บเดียวแล้วก็ไปคิดฟังสลับกับคิดนะไม่ได้ฟังอย่างเดียวใครเห็นบ้างว่าฟังสลับกับคิดไม่ได้ฟังอย่างเดียวหลวงพ่อจะหยุดพูดแล้วพวกเราดูซิว่าจิตจะคิดจริงหรือไม่จริงบอกมันนะว่าอย่าคิดลองดูซิทำได้ไหมทำไม่ได้นี่แหละคำว่าอนัตตานะของจริงดูกันอย่างนี้นะ เนี่ยเฝ้าดูลงมานะเราจะเห็นเลยว่าร่างกายนี้มีแต่ความทุกข์บิบขันร่างกายเนี่ยดูตัวทุกข์ง่ายจิตใจเนี่ยดูอนิจจังกับอนัตตาง่ายอนิจจังคือมันเปลี่ยนเร็วเปลี่ยนตลอดเวลารูปมันเปลี่ยนช้ากว่านามนามนี่เปลี่ยนเร็วกว่ารูปเราะนั้นแต่ดูจิตดูใจนะจะเห็นอ น, นิจจังง่ายแล้ว เ, เห็นอนัตตาง่ายสั่งมันไม่ได้ควบคุมมันไม่ได้จริงนะเนี่ยเฝ้าดูลงไปนะถ้าเราเห็นอย่างนี้มากเข้ามากเข้าเราจะรู้เลยว่า รูปธรรมทั้งหลายเนี่ยไม่ใช่ตัวเราหรอกเราสั่งมันไม่ได้จริงน่ะนำมาทำทั้งหลายเนี่ยไม่ใช่ตัวเราหรอกเราสั่งมันไม่ได้จริงกระทั่งจิตนี่ก็สั่งมันไม่ได้สั่งให้มันดูรูปอย่างเดียวก็ไม่ได้สั่งให้มันฟังเสียงอย่างเดียวก็ไม่ได้สั่งให้มันคิดอย่างเดียวก็ไม่ได้นะสั่งอะไรมันไม่ได้จริงสั่งให้มันสุขก็ไม่ได้ห้ามมันทุกก็ไม่ได้เนี่ยดูไปมากๆนะอย่านี้เรียว่าเห็นตามความเป็นจริงล้รู้ถูกแล้วพอเรารู้ถูกรู้ตามความผิดจริงเนี่ยมันจะเริ่มเบื่อ จะเริ่มเบื่อหน่ายเริ่มคลายกำหนัดนะเริ่มหมดความยึดถือก็หลุดพ้นนะเข้าถึงธรรมะไปเพราะฉะั้นถ้าเราอยากได้ธรรมะนะอย่าทิ้งการมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางไม่ยากหรอกฝึกสองสเดือนนี่เราจะได้จิตที่รู้ตัวจิตที่ตั้งมั่นแนละ้วแล้วก็เห็นขันแยกแตอนนี้คนที่เรียนจากหลวงพ่อนะแล้ขันแยกได้กายกับจิตคนละอันความสุขความทุกข์ กุศอนกูสอนะกักจิตเป็นโคนละนับจานวนไม่ท้วนแล้นะว่ามีจํานวนเท่าไหร่คนทําได้นี่เยอะแยะหมดเลยนะลองไปฟังในซีดีดูก็ประสงกันบ้านแต่และ ว, วันนี่จะมีคนทํามาถึงตรงนี้เยอะแยะไปหมดเลยถ้าแยกธาตุแยกขันได้แล้วเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของรูปของนามได้นี่เรียกว่าเราเจริญปัญญาละเวัน7เดือน7ปีต้องได้อะไรบ้างนะยกเว้นแต่ว่าเร็วเกินไปก็ดีเกินไปเร็วเกินไปอย่างเราเคยฆ่าพ่อฆ่าแม่อะไรนี่นะเราฆ่าพระอรหันต์เราไม่รู้ใครเป็นพระอรหันต ถ้าอย่างเป็นค า, ารวัตนี่ทําสังฆเพศไม่ได้นะพระเสี่ยงมากกว่าค า, ารวัตนะเนื่องอนันตริยกรรมงั้นถ้าเราไม่ได้ชั่วสุดขีดนะก็ไม่ได้ขวางเราไม่เคยด่าพระริยะนะก็ยังไม่ขวางนะหรือดีเกินไปหวังพุทธภูมิเนี่ยภาวนาไปนะพอใจจะเกิดอริยมรรคอริยผลใจจะถอนคืนไม่ไม่ยอมเกิดมรรคผลนะอันนี้พวกดีเกินไปถ้าเราไปกลางๆไม่ดีไปไม่เลวไปนะเราจเจริญสติจเจริญปัญญา รู้รูปนามตามความเป็นจริงเห็นความเกิดดับเรืไปนะเวัน7เดือ น, น7ปีควรจะได้อะไรบ้างถ้าทําจริงๆนะไม่ใช่ทํา ำ, ำหยุดหยุดไปเรื่อยทำเล่นๆหย่่อหย่อแ ย, ย, ยะแ ย, ะยะไม่ได้กินหรอกปฏิบัติธรรมต้องสู้จริงๆมันเหมือนพายเรือทวนน้ํำยามาพายหย่อแยะหย่อแยะน่าก็ไหลคืนมาทุกทีก็ช่วยไม่ได้นะช่วยไม่ได้ต้องสู้เอาพอไหวไหมหลวงพ่อสอนละเอียดมากเลยนะไม่มีปิดบังเลยนะ รักษาศีลเป็นพื้นฐานแลสมาธิจะเกิดง่ายสมาธิมีสองชนิดสมาธิที่จิตสงบอยู่ในอารมณ์ัเดียวเอาไว้พักผ่อนเวลาจิตเหน็ดเหนื่อยสมาธิชนิดที่2จิตตั้งมั่นเอาไว้ทำวิปัสสนาลัคนูปนิชานเนี่ยจะเกิดในขณะแห่งวิปัสสนากรรมฐานจะเกิดในขณะแห่งอริยมรรคจะเกิดในขณะแห่งอริยผลจะเกิดในพระสมบัตินี่เป็นลัคนูปนิชานทั้งสิ้นเลยนะเป็นฌานที่1นถึงแ อารามณูปนิชานใช้ทำสมถะทำได้ฌาน1นถึงแเหมือนกันนะแต่การตั้งของจิตไม่เหมือนกันถ้าทำจิตออกนอกไปตั้งสงบอยู่ข้างนอกเดินปัญญาไม่ได้ถ้าจิตตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวในขณะที่เราเดินปัญญาเนี่ยเราไม่ต้องเข้าฌานเราใช้จิตของมนุษย์ธรรมดาที่รู้สึกตัวนี่แหละนะใช้สมาธิที่เลขาณิกะสมาธินี่แจิตใจไม่ลืมเนื้อลืมตัวร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวคอยรู้สึกเรื่อยๆนะสตรีมจะเร็วขึ้นเร็วขึ้น แล้วมันจะค่อยๆเห็นความจริงนะสติเนี่ยดูไปเรื่อยนะไม่ขาดให้มันมีมากที่สุดส่วนปัญญานะเราสั่งมันไม่ได้จริงอะปัญญาเวลา เ, ลาเกิดถ้าเกิดเป็นแวบๆบแบบนะเวลาปัญญาแท้ๆเกิดถั้าเกิดชั่วแว บ, บเดียวเท่านั้นเองนะคือตัวความเข้าใจเกิดกด็เกิดทีละแว บ, บเดียวนะฆ่ากิเลสเลยค่อยฝึกนะไม่ยากเกินไปฟังหลวงพ่อครั้งแรกถ้าไม่เคยฟังมาก่อนนะจะงงบ้างนะ แนะนำว่าไปฟังซีดีซีดีก็แจกฟรีนะไม่ได้เคยขายเลยนะบางคนก็ไปไล่แจกก็มีเดี๋ยวนี้กระทั่งรถเข็นขายส้มตำนะเริ่มมีซีดีหลวงพ่อประโมทแจกแล้วนะมีถึงขนาดนี้ธรรมะมีให้มากมายไปฟังบ่อยๆพอได้หลักแล้วการปฏิบัติจะไม่ยากถ้าไม่รู้หลักเนี่ยโ้ยมันงมเข็มแนมหาสมุดเลยนะผิดพลาดนี้มีช่องว่างที่จะผิดพลาดเต็มไปหมดเลยนะ เช่นไปทำสมาธิชนิดสงบแล้วคิดว่าจะเกิดปัญญาไม่มีวันเกิดหรอกนะหรือพอทำสมาธิแค่จิตตั้งมั่นรู้เนื้อรู้ตัวแล้วก็รู้ตัวอยู่เฉยๆไม่ทำวิปัสนามันก็ไม่เกิดปัญญาหรอกนะมันแค่รู้สึกตัวนะจะเดินปัญญาก็ไม่รู้ว่าต้องแยกรูปนามเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของรูปนามจะเดินปัญญาก็ไปคิดพิจารณาเรื่องโ น, น้นคิดพิจารณาเรื่องนี้คิดพิจารณาผมขนเล็บฟันหนงังเนื้อเอ็นกระดูกอันนั้นสมถะกรรมฐานนะ จเจริญปัญญาต้องเห็นสภาวะรูปนามนั้นแสดงใรลักไปถ้าเห็นอย่างนี้นะไม่นานใจก็จะเบื่อหน่ายใครกำหนัดอย่างบางคนนะฟังหลวงพ่อนะแล้วก็ค่อยๆหัดรู้สึกหัดรู้สึกนะวันหนึ่งแปลงฟันมือกำลังขยับเนี่ยนะปัญญามันทันวับขึ้นมานะมันเห็นเลยว่าตัวที่เคลื่อนไหวอยู่เนี่ยมันไม่ใช่เรานะไอ้ตัวเนี้ยมันไม่ใช่เราเลยบางคนนอนอยู่นะตื่นขึ้นมานะ จิตตั้งมั่นปั๊บขึ้นมาสติระลึกเห็นร่างกายนอนอยู่เห็นได้ร่างกายมันไม่ใช่ตัวเราการเห็นร่างกายไม่ใช่ตัวเราเป็นเรื่องง่ายนะคนนอกศาสนาพุทธก็เห็นได้นะแต่การเห็นว่าจิตไม่ใช่เราเนี่ยต้องภาวนาให้เป็นถึงจะเห็นนะเห็นไหมจิตหนีไปคิดลนะมาไต่ได้เองดูออกไหมเนี่ยดูของจริงเข้าไปเรื่อยนะอย่าบังคับมันไม่บังคับกายไม่บังคับใจนะ ให้รู้ตามสบายๆ ส, ส, สิ่งที่สุดโต่งมีสองข้างที่เราต้องไม่เอาความสุดโต่งสองด้านด้านหนึ่งสุดโต่งตามใจกิเลสคือหลงไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเพลิดเพลินไปนเรียกกามสุขขริกานิโยกไหลไปหารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมทั้งหลายไหลไปคิดนึกในเรื่องของรูปเสียงกลิ่นรสผลภัทั้งหลายเรียกว่ากรรมอาธรรมไหลไปทางอารมอย่างนี้กรรมมาคุณอารมณ์ทั้งหลายนะ ใจมันหลงโลกนะใจมันลืมตัวเองลืมกายลืมใจถ้าเมื่อไรลืมกายลืมใจเนี่ยหย่อนเกินไปถ้าเมื่อไร่กลัวจะลืมกายลืมใจนะบังคับไม่ให้ลืมเลยบังคับไม่ให้คิดบังคับไม่ให้นึกบังคับตัวเองตลอดเวลาบังคับกายบังคับใจอันนั้นตึงเกินไปงั้นเราหัดใหม่เนี่ยมันจะอดที่จะบังคับแล้วตึงเกินไปไม่ได้เป็นปกติเลยคนในโลกเนี่ยที่ไม่เคยฟังธรรมะไม่เคยปฏิบัติหรือฟังแล้วก็ไม่ถึงแก่นของการปฏิบัติเนี่ย จิตจะมีอยู่อย่างเดียวคือหลงหลงหลงหลงหลงหลงไม่มีคําว่ารู้เลยในโลกนี้หาคนที่รู้สึกตัวเนี่ยหายากที่สุดเลยนะพระริยะถึงขาดแคลนเพราะคนที่ไม่ได้ภาวนานะี่มันจะมีคําว่าหลงหลงหลงหลงพวกที่มหัดภาวนาใหม่ๆนะมันจะเกิดสามอันหลงไปแล้วก็รู้ว่าหลงแล้วก็จะมาเพ่งกลัวจะหลงอีกมาบังคับไว้มันจะแน่นๆขึ้นมาเพราะฉั้นอย่างบางทีใจลอยไปรู้ตัวว่าใจลอยปุ๊บจะเพ่งเลย ก็เกิดเป็นสามสภาวะอันหนึ่งหลงไปอันหนึ่งรู้ว่าหลงตรงนี้เป็นตัวที่ถูกแล้วนะอันที่สามเพ่งหัดใหม่ๆยังไงก็อดเพ่งไม่ได้นะตึงเกินไปหลงเนี่ยหย่อนเกินไปเพ่งเนี่ยตึงเกินไปรู้นั่นพอดีพอดีแต่เราไม่ได้พาวนาเพื่อจะเอารู้นะรู้ก็แค่ให้เห็นว่าหลงมันไม่เที่ยงนะเพ่งก็ไม่เที่ยงรู้มันก็ไม่เที่ยงต้องการให้เห็นตรงนี้ไม่ได้เอารู้ตลอดเวลาถ้าไปรักษารู้ตลอดเวลาก็ผิดอีกแหละ จะเห็นว่าตัวรู้เที่ยงจิตเที่ยงนะมัเป็นมิจฉาทิฏฐิพวกหนึ่งเนีค่อยๆฝึกต่อมาพอเราชํานาญในการปฏิบัตินะมันจะเหลือสองอันนะมันหลงไปแล้วก็รู้สึกไม่เพ่งหลงไปแล้วก็รู้สึกนะแต่ไม่เพ่งใจก็โปร่งโล่งสบายนะถ้าภาวนาสุดขีดนะมันจะเหลืออันเดียวอีกล่ะเหลือแต่รู้รู้รู้รูรนะแต่ว่าจิตก็จะหลงผวางจิตเกิดวิบากจิตเลยเนี่ยธรรมชาติธรรมดาแต่ในขณะที่จิตขึ้นมารับอารมณ์นะ เรียกชวนาจิตจิตไม่เข้าไปเสพอารมณ์จะสักว่ารู้ว่าเห็นจริงๆนะอยู่ที่เราฝึกเอานะธรรมะของพระพุทธเจ้าของจริงของแท้ยังมีอยู่นะอยู่ที่เราจะทําหรือไม่ทำํำนะถ้าเราไม่เคยได้ยินไม่เคยได้ฟังเราก็ทําไม่ถูกถ้าเราเคยได้ยินเคยได้ฟังนะก็ทำถูกทาถูกแล้วต้องทำให้มากพอดังนะนั้นต้องมีสองคำเท่านะั้นแหละทำให้ถูกแล้วก็ทำให้พอนะถ้าทําไม่ถูกห้ามขยัน ต้องเรียนให้รู้เรื่องก่อนว่าที่ถูกเขาทํำยังไงนะถ้าทําให้ถูกแล้วก็ขยันนี่มันจะทําผิดแสนสาหัสเลยให้ไปนั่งเพ่งบังคับจิตให้นิ่งๆ น, นะไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งบางทีเพ่งไปร่างกายหายไปเลยนะบางทีก็เพ่ยงจนจิตดับไปเลยเพ่ยงจนร่างกายหายไปนี่เข้าอารูปฌานนะเพ่ยงจนจิตดับไปนี่ยเป็นพรมลูกฟักนะไม่เกี่ยวอะไรกับมรรคผลหรอกนะพยายามรู้สึกตัวนะเวลาที่เราหัดเจริญปัญญาเนี่ย ถ้าดูจิตได้ให้ดูจิตนะถ้าดูจิตไม่ได้ให้ดูกายถ้าดูจิตก็ไม่ได้ดูกายก็ไม่ได้ทำสมถะพุโทโธพุโทโธไปหายใจไปอะไรไปนะพอจิตใจมีเรี่ยวมีแรงขึ้นมามนก็จะกลับมาดูจิตได้แต่ตอนทำสมถะนะถ้าสมถะนั้นลึกมากถึงระดับฌานตอนออกจากฌานมาเนี่ยให้มาดูกายจะไปดูจิตมันจะไม่มีอะไรมันจะว่างๆง นะแต่ตอนถ้าทรงฌานอยู่แล้วชำนาญในการดูจิตนะจะไปทําวิปั ส, สนาในฌานจะไปเห็นความเกิดดับในองค์ฌานหรือจิตถอยมาในอุปจารสมาธนะิจะเห็นความไหวไหวของจิตแต่ไม่รู้ว่าคืออะไรนะสัญญาไม่เข้าไปหมายเนี่ยพวกนี้เป็นพวกเจริญปัญญาในสมาธิแต่ถ้าเราเข้าสมาธิแล้วไปนนิ่งลึกเงียบอยู่นะถอยออกมาให้ดูกายถ้าเข้าสมาธิได้ตื้นๆถอออกจากสมาธิดูจิตต่อไปได้เลยนะ มันมีลีลาของการปฏิบัตินะอันนี้ต้องค่อยๆค่อยๆเรียนค่อยๆรู้สอนรวดเดียวจําไม่ไหวหรอกกว่าหลวงพ่อจะสรุปออกมาแต่ละอันต่ละอันน้ำภาวนากันหนักหนานะกว่าหลวงพ่อจะแยกสมาธิสองอย่างได้หลวงพ่อทำสมถะอยู่22ปีไม่มีครูบาอาจารย์ตอนเด็กๆ7็ดขวบไปเรียนกับท่านพ่อลีพานสกัลรามตอนนั้นเด็กมากเลยเจ็ดขวบเองพ่อพาไปหาท่านท่านก็สอนให้หายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับหนึ่ง หายใจเข้าพูดหายใจออกโวนับสองนับไปถึง10บนะแล้วก็นับเก้าปดเจดนี่ยหลวงพ่อเป็นเด็กมากหลวงพ่อนับถอยหลังไม่เป็นนะแล้วก็พัฒนาใหม่ปรับใหม่นับถึง10แล้วต่อ11ไปถึงร้อยเลยพอถึงร้อยแล้วนับหนึ่งใหม่นะทำไปเรื่อยนะใจค่อยๆสงบนะใจมันจะลมจะตื้นๆเป็นแสงลมหายใจหายไปก็เป็นแสงคราวนี้โง่โง่สุดๆเลยมีแสงแล้วเนี่ยฉายแสงไปนะออกไปเที่ยวข้างนอกนะ เที่ยวสวรรค์เที่ยวอะไรแต่นรกไม่ไปเพราะกลัวผีนะโอชอบไปเที่ยวนะีจิตมันหลอกเขาทั้งนั้นเลยนะไม่มีประโยชน์อะไรต่อมานะมันเริ่มมีปัญญาขึ้นมามันรู้ว่าไหลออกไปอย่างนั้นไม่มีอะไรขึ้นมาแล้วก็กลัวจะไหลไม่อยากให้ไหลพอนั่งสมาธิพอใจจะเคลื่อนพอจะเคลื่อนนะก็หายใจแรงขึ้นนะกลับมารู้สึกตัวใหม่ใจอยู่กับเนื้กับตัวใจตั้งมั่นเด่นดวงอยู่นั้นแต่ไปต่อไม่เป็น เจอทั้งไปเจอหลวงปู่ดุลนะท่านถึงสอนต่อให้ความจริงก่อนจะเจอหลวงปู่ดุลที่สอนหลวงพ่อดูจิตเนี่ยหลวงพ่อก็ได้ยินคําสอนว่าให้พิจาจรนกกากรทดลองพี่นกกากรแล้วมันไม่ถูกกับจริตจริตของคนที่พี่นกกากรเนี่ยมันเหมาะกับพวกตันหาจริตพวกที่ช่างคิดเนี่ยเรียกพวกทิฏฐิจริตเนี่ยกรรมฐานที่เหมาะกับทิฏฐิจริตนะคือการดูจิตพอไปทํากรรมฐานที่ไม่เหมาะจริตใจมันไม่เอา ไปพิจารณาร่างกายนั้นทําสมาธิมากนะดูผมไปนะผมหายไปเลยนะเห็นหนังศีรษะดูหนังศีรษะหายไปอีกเห็นหัวกะโหลกดูหัวกะโหลกหัวขาดไปเลยเหลือแต่ตัวดูตัวนะเหลือแต่กระดูกดูกระดูกกระดูกระเบิดต่อไปเป็นฝงเล็กๆดูกระดูกที่ป่นออกมาแล้วนะกลายเป็นแสงสว่างสลายตัวไปหมดเสร็จแล้วไม่มีที่ไปแล้วมันก็อยู่กับจิตเฉยๆ ถ้าจิตอยู่กับจิตอยู่เฉยๆไม่ได้เดินปัญญาอะไรถึงพูดเต็มปากเต็มคํานะว่าไปจิตนิ่งๆว่างๆอยู่ไม่มีปัญญาหรอกพระเจ้าก็ไม่ได้สอนอย่างนั้นเจนมาเจอหลวงปู่ดูลนะท่านสอนให้ดูจิตทีแรกก็ไปทําความเคยชินตามที่เคยชินนี่ไปรักษาจิตให้นิ่งๆไว้ความรู้สึกเกิดขึ้นปัดทิ้งปัดทิ้ ง, งรักษาจิตไว้ไปเจอท่านฝึกอยู่สามเดือนแล้วก็ไปหาท่านท่านบอกภาวนาผิดแล้วยังไม่ได้ดูจิตเลยแต่ไป แทรกแงอาการของจิตคือไปรักษาจิตให้นิ่งๆิ่ๆว่างวนะ่างก็เลยกลับมาดูใหม่นะเห็นจิตมันเกิดดับเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงดูจิตก็เห็นกายด้วยนะก็เห็นทั้งรูปธรรม ท, ทั้งนามธรรม น, นั่นแหละแยกรูปแยกนามไปเรนะื่อใจเราเป็นคนดูนะไม่นานนะก็ฝึกค่อยค่ยคยปัญญาค่อยเกิดออกนะเกิดความเข้าใจตัวเราไม่มีนะต่อไปต่อนาเรื่อยๆไปมันก็จะเห็นนะตัวที่มีคือตัวทุกข์ ตัวเราไม่มีนะแต่ตัวที่มีคือตัวทุกถ้าเข้าใจตัวนี้เราก็พ้น <c oughs> ทุกแ ล, ล้วล่ะนะค่อยฝึกเอาเป็นลำดับลาดับไปขั้นแรกจะทำอะไรก่อนสรุปได้ไหมหลวงพ่อสรุปให้หลายรอบแล้วถือศีลห้าไว้ก่อนอย่าลืมนะศีลไม่มีสมาธิมไม่มีหรอกฟุงฟ้งพุ้งจานถึงเคยมีนั้นก็เริ่มเสื่อมเนื่อนานก็เสื่อมรักษาศีล น, นะจิตใจได้สงบสุข แค่คิดถึงศีลของเราเนี่ยสมถะก็มีแล้วถ้าเรารักษาศีลได้ดนะีจิตสงบแนละนะ้ง่ายสมัยในธรรมบทนะอาาัตถกถาพูดถึงพระองค์หนึ่งท่านภาวนาแล้วก็ไม่ได้ผลอะไรเลยรุ่นเดียวกันเขาเป็นพระอรหันต์หมดแล้วท่านเสียใจวันหนึ่งภาวนาแล้วก็เอามีดโกนนะปาดคอตัวเองนะปาดคอแล้วยังไม่ทันจะตายท่านก็นึกวันนียบวชนะไม่ได้อะไรสักอย่าง แล้วก็เฉลียวใจนะว่าตั้งแต่บวชมาเนี่ยตั้งใจรักษาศีลมาตลอดเลยท่านคิดถึงว่าท่านรักษาศีลไม่เคยดังพร้อยนะจิตใจท่านมีปิติมีความสุขขึ้นมานะท่านได้สมาธิขึ้นมาพอ ไ, ได้สมาธิท่านก็ดูรูปธรรมนามธรรมซึ่มันกําลังจะตายนี่แหละนะจิตมันแยกมาเป็นคนดูได้ท่านบรรลุพระอราหันต์ในขณะที่ตายนะท่านทําอย่างนั้นได้ไม่แค่เราระลึกถึงศีลที่เรารักษาไว้ดีแล้วนะสมาธิก็ เ, เกิด หรือถ้าเจริญเมตตาไปเรื่อยนะแผ่เมตตาไปจิตใจมีความสุขมีความสงบจิตใจเป็นมิตรกับสิ่งต่างๆกับคนอื่นๆในนี้กับสัตว์อื่นๆเราอยู่กับความเมตตาจิตใจก็มีความสุขความสงบไม่แม้สมาธิเรื่องของความสงบไม่ใช่เรื่องยากอะไรหรอกนะคิดถึงพระพุทธเจ้าไปเรื่อยๆใจก็สงบนะคิดถึงครูบาอาจารยนะ์ที่เราชอบอกชอบใจนะบางองค์เรานึกถึงท่านเราก็สงบละนะนะอย่างนี้ก็ได้ คิดถึงทานที่เราทําไว้ดีแล้วใจก็สงบไดนะ้คิดถึงความตายใจก็สงบได้คิดถึงลมหายใจใจก็สงบได้นะใช้กรรมฐานง่ายๆอย่างนี้แหละนะทําฝึกจิตฝึกใจเราเป็นคารวาสจะเข้าฌานเข้ายากนะเอาของง่ายๆพอจิตใจแช่มชื่นเบิกบานแล้วนะก็รู้ทันใจที่ไหลไปนะใจไหลไปเรื่องอื่นแล้วไหลไปคิดรู้ทันใจไหลไปเพ่งรู้ทันก็จะได้จิตที่ตั้งมัน่นได้สมาธิอย่างที่สองนะ แได้สมาธิอย่าที่สอนแล้วก็แยกรูปแยกนามแยกธาตุแยกขันธ์เห็นกายอยู่ส่วนกายใจอยู่ส่วนใจความสุขความทุกข์กุศลอกุศลเป็นอยู่อีกต่างหากนะใจเป็นคนดูถ้าจากนั้นก็จะเห็นเลยทั้งรูปธรรม ท, ทั้งความสุขความทุกข์ทั้งกุศลอกุศลทั้งตัวจิตมีแต่เกิดแล้วก็ดับไปนะจากนะั้นเรียกว่าเจริญปัญญานะถ้ามันพอจนสติอัตโนมัติสมาธิอัตโนมัติปัญญาอัตโนมัติแล้วเนี่ยอริยมรรคถึงจะเกิด ถ้ายัางต้องจงใจให้มีสติอยู่อริยมรรคยังไม่เกิดจงใจให้จิตตั้งมั่นสมาธิยังไม่ดีพอนะอริยมรรคไม่เกิดจงใจเจริญปัญญาคิดพิจารณาอยู่เนี้ยอริยมรรคไม่เกิดตรงที่อริยมรรคจะเกิดนะีสติต้องอัตโนมัติสมาธิอัตโนมัติปัญญาอัตโนมัติมันไปไประชุมลงที่จิตดวงเดียวกัน เพาะน้นสมาธิที่จิตตั้งมั่นอยู่ที่จิตเนี่ยถึงสาคัญมากนะสมาธิที่จิตไปตั้งอยู่ที่ลมหายใจที่ท้องที่มือที่เท้าอะไรสมาธิออกนอกในขณะที่เกิดอริยมรรคเนี่ยจะไม่ไปเกิดแบบนั้นเลยจะเกิดที่จิตดวงเดียวนะเะั้นเรามาฝึกสมาธิให้จิตอยู่กับจิตซะก่อนต่อไปอะไรเกิดขึ้นรู้ทันโดยที่ไม่ได้เจตนาจะรู้ จิตเคลื่อนไปรูท้ทันจิตก็ตั้งมั่นโดยไม่เจตนาให้ตั้งมั่นนี่สติก็อตตัตโนมัติสมาธิอัตโนมัตินะสัมมาสมาธิคือสมาธิที่ตั้งอยู่ที่จิตนี่แหละเป็นภาชนะเป็นที่รองรับองค์มรรคทั้ง7ที่เหลือให้ประชุมลงที่เดียวกันในขณะจิตเดียวกันมรรคทั้งหมดนะแองค์นะประชุมลงที่จิตดวงเดียวกันด้วยอํานาจของสัมมาสมาธินั่นเอง น, ะนันถึงจะสู้กิเลสได้นะงั้นเราสั่งไม่ได้หรอกต้องฝึก ในขณะที่ใกล้ใๆจะเกิดอริยมรรคนะจิตจะรวมเข้าอาบนาสมาธิรวมของเขาเองเลยนะและสะสะ้วสติจะระลึกรู้จะเห็นสภาวะธรรมข้างในนะเกิดดับสองสามขณะจิตอยู่ตาหากเป็นคนดูอยู่สองสามขณะนี้ไม่ได้เจตนาระลึกเลยปัญญาก็ไม่ได้เจตนาพิจารณานะมันแจ้งขึ้นมาถึงความไม่มีตัวมีตนนะ แล้วจิตรวมลงที่จิตตัดกระแสของอารมณ์นั้นทวนเข้าหาธาตุรู้รวมลงมาที่จิตด้วยอำนาจของสัมมาสมาธินะสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นเองนะเมื่อเราทำศีลสมาธิปัญญาสติสมาธิปัญญาให้แก่รอบบริบูรณ์ขึ้นมานะไม่ยากเกินไปไม่ยากเกินไปที่มนุษย์ธรรมดาธ ร, รมดาอย่างพวกเราจะทำได้นะขอให้ทาเท่านั้นแหละ <c oughs> ถ้าไม่ทานะไปนั่งอ้อนวอน ทุกวันใส่บาตเจ้าประคุณขอให้บรรลุมรรคผลนิพพานอีกนานใส่บาตเพนการทำฐานศีลดีหรื อ, อยังสติฝึกหรื อ, อยังสมาธิมีไหมมีถูกชนิดไหมหรือมีสมาธิออกนอกได้เจริญปัญญาหรื อ, อยังต้องดูนะทำเหตุทำผลอะไรต้องพอดีพอดีกันพอไหวไหมไหวหรือไม่ไหวก็ต้องทำ ถ้าอยากปนทุกข์ถ้าจะจมทุกข์จมกิเลสนับพบนับชาติไม่ท่วนก็ไม่เป็นไรนะพระพุทธเจ้ามีอีกหลายองค์เอาแล้วนะวันนี้เท่านี้เห็นว่ามีใครจะถามสองคนเอาว่ามาจิตถึงฐานไหมหลวงพ่อถามเองโอ้จิตไม่ถึงฐานนะทำไมล่ะรับไมไหนะคนอื่นเขาจะได้ยินด้วย ใจจิตออกนอกบ้างเห็นไหมจิตเราวิ่งไปที่เขาเห็นไหมนึกออกไหมจิตมันวิ่งไปที่เขาขณะที่จิตวิ่งไปที่เขาเราลืมตัวเราเองล้รู้สึกไหมถ้าเมื่อไหร่ลืมกายลืมใจนะจะไม่มีทางเห็นไตร ล, ลักษณ์ของกายของใจก็คือไม่ได้ทํามิปัสนานะแต่ถ้าไม่ลืมกายลืมใจมีกายมีใจอยู่นะแต่ไม่ดูไตร ล, ลักษณ์นะก็ยังไม่ใช่มิปัสนานะก็เป็นสมถะอีกแบบอาว่ามากรับนะ้ัสการหลวงพ่อครับครั บ, รบผมได้ปฏิบัติ ตามคำสอนของหลวงพ่อมาตลอดทั้งทำทานรักษาศีลและภาวนาก็ตอนสวดมนต์น <later kiss him out> so ี <ay> ่ก็ได้เห็นสัญญาเกิดขึ้นว่าเวลาบทสวดมนต์เราไม่ได้คิดอะไรนะฮะมันก็จะผุดขึ้นมานะฮะเวลาบทสวดมนต์อันนี้เวลานั่งสมาธิหรือเดินจงกรมอะไรนี่มันปัญญามันล้ำไปก็ใช้ความคิดมาเห็นเห็นว่ากายเดินจิตเป็นผู้รู้อะไรนี่ฮะ อย่างไม่เห็นด้วยด้วยจิตของมันเองนะครับก็นั่งสมาธิก็เวลาหายใจก็ใช้ความคิดเหมือนกันเบิออ้อยู่เบื้องต้นจะคิดก่อนก็ได้นะครับเบื้องต้นจะคิดก่อนก็ได้หลวงปู่ดูลยสอนประโยคสำคัญไว้อันหนึ่งนะบอกคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงรู้หยุดคิดแล้วทำไมรู้ถ้าคิดอยู่เนี่ยเราไม่เห็นของจริงเราไม่ได้รู้ตามความเป็นจริงแต่ท่านตบท้ายนะ คิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงรู้แต่ก็ต้องอาศัยคิดเวลาที่เราปล่อยใจให้คิดเนี่ยนะความสุขความทุกข์เกิดขึ้นให้รู้ทันไม่ต้องคิดละกุศลอกุศลเกิดขึ้นให้รู้ทันไม่ต้องคิดละเราก็จะเห็นความจริงถ้าเราคิดอยู่เราจะไม่เห็นไตรลักษณไม่เห็นของจริงแสดงใจรักษณแต่ถ้าไม่ห้ามความคิดการที่เราคิดไปนั่นแหละจิตที่จะเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดกุศลอกุศลเรามีสติรู้ทันสุขทุกข์กุศลอกุศลที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนะ ทุกครั้งที่นั่งสมาธิแล่เดินจงกรมเนี่ยฮะก็จะเผลอไปคิดเรื่อยแล้วก็จะรู้ว่าคิดออกนอกให้รู้ทันนะฉิยังขยันออกนอกครั บ, รบแล้วก็ขอกราบถวายการปฏิบัตินี้เป็นพุทธบูชาและ อ, อาจจะที่ญาติบูชาถวายแด่หลวงพ่อนะต้องไม่ลืมพระพุทธเจ้านะนี่หลวงพ่อสอนลูกศิษย์มากเลยว่านึกถึงบุญคุณล้วนึกถึงพระพุทธเจ้าก่อนไหนอีกคนหนึ่งมีคนหนึ่งอยู่ที่ไหน มาออกมาเลยก็ได้มากราบหลวงพ่อครับผมฟังซีดีหลวงพ่อมาหลายปีแล้วแต่ว่าไม่เคยส่งกันบ้านเลยก็เลยอยากให้หลวงพ่อแนะนําเพิ่มเติมนะครับเห็นไหมว่าจิตเดี๋ยวนี้ก็บตะก่อนต่างกันดูออกไหมดูออกครับเมันสว่างขึ้นมันโปร่งมันโลง่งมันเบาขึ้นนะเราก็ดูต่อไปเรื่อยเห็นไหมว่ากายกับจิตเนี่ยคนละอันอันนี้เห็นไหมอันนี้ไม่ค่อยแน่ใจอะว่าเราคิดไปเองหรือเปล่า เห็นไหมว่าสุขทุกข์กจิตเป็นโคล้านครับเออถ้าเห็นอย่างนี้ได้ก็ชํานาญในการดูนามธรรมมากกว่ารูปธรรมนะถ้าคนไหนชํานาญในการดูนามธรรมมากก็ดูไปสุขทุกข์กจิตโคล้านนะโลภโกรธหลงกัจิตเป็นโคล้านกันถ้าคนไหนถนัดดูรูปธรรมแล้วก็เห็นร่างกายกับจิตเป็นโคล้านสุดท้ายมันเห็นหมดนะจิตนี้ไปคิดไหมขณะนี้ครับเออถ้าจิตไหลไปคิดรู้ทันนะก็ใช้ได้ ขณะนี้จิตเป็นธรรมชาติไหมหรือว่าบังคับอยู่บังคับอยู่ให้รู้ทันนะจิตขณะนี้ถึงฐานหรือออกนอกออกนอกครับถูกอีกแล้วล่ะสอบได้เนาะอย่างนี้ทาถูกละมันไม่ค่อยเข้ามาเท่าไหร่ถ้ามันไม่เข้านะต้องช่วยมันนิดหนึ่งนะเอาความรู้สึกตัวของเราจับไปที่ลมหายใจนะแล้วก็หายใจกลับเข้ามาากความรู้สึกเออมากไปเรานิดเดียวพอนะ อย่าอัดแรงไปอัดแรงจนแน่นตึงไปนะให้ใจมันอยู่กับตัวอย่าให้เกินตัวออกไปจิตไหลไปเรารู้ทันจิตไหลไปเรารู้ทันนะใช้ได้ที่ฝึกอยู่แต่ตัวสำคัญทีจะจิตต้องถึงฐานนะให้บ่อยๆนะดีกระผพุกุลครับจิตปกติเหมือนอย่างนี้ไหมนะต้องธรรมดานะธรรมดาที่สุดเลยเราต้องการเห็นกายเห็นใจตามความเป็นจริง งั้นเราอย่าไปดัดแปลงความเป็นจริงของกายของใจซะร่างกายเราหายใจอยู่แล้วเราก็แค่รู้สึกนี่พวกเราบางทีมันชินกับการบังคับอย่างพุทธเจ้าสอนง่ายๆนะดูกระาภิกสูทั้งหลายให้เธอคู่บันลังตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าหายใจออกยาวรู้ว่าหายใจออกยาวหายใจเข้ายาวรู้หายใจเข้ายาวทํ า, าทแค่นี้จะพอดีเลยของเรานะประเภทคู่บันลังตั้งกายตรง ไม่เอาสติหรอกเอากายให้ตรงไว้ก่อนแล้วก็เริ่มบังคับจิตแทนที่จะว่าจะหายใจไปด้วยจิตใจของคนธรรมดานะเราจะไปบังคับกายไปบังคับจิตเวลาจะเดินจงกรมก็บังคับกายบังคับจิตเริ่มจากการบังคับไปบิดเบือนของจริงจนไม่เห็นของจริงนั้นทุกก้าวที่เราเดินไปด้วยความรู้สึกตัวทุกก้าวนั้นเดินจงกรมอยู่แล้วทุกขณะที่เรานั่งสมาธิอยู่ด้วยความรู้เนื้อรู้ตัวอยู่เรานั่งสมาธิอยู่แล้วะงั้นเราแค่ว่า แต่นั่งแล้วถ้าหาเครื่องอยู่ให้จิตที่นั่งเราเห็นร่างกายมันหายใจใจเราเป็นคนดูท่านบอกว่าพิสูจทั้งหลายให้คูบรนลังตั้งกายตรงดํารงสติเฉพาะหน้าไม่ได้บอกให้หลับตาด้วยซ้ําไปท่านไม่ได้มีคําว่าหลับตานะเราก็นั่งรู้สึกแต่ถ้าเราเริ่มต้นได้หลับตาเรา อ, อาจอาจลูกเดียวเลย อ, อัดนะแล้วก็หลับสักพักหนึ่งก็หลับจริงๆไปเลยนะงั้นเบื้องต้นนะรู้สึกตัวหัดรู้สึกตัวนะหายใจไปด้วยความรู้สึกตัว หายใจแล้วรู้สึกตัวหัดอย่างนี้เรื่อยๆต่อไปพอจิตสงบเนี่ยตามันปิดของมันเองนะเราไม่ต้องน้อมนําให้มันสงบหลับตายแถ้าหลับนี้นะเครียดตายเลยหรือบางคนก็ทําให้เราท้ละทละวยนะทําใจให้อ่อนๆเดี๋ยวเดียวก็หลับจิตอย่างนั้นไม่ใช่สงบหรอกเนี่ยจิตมันสลบนะจิตสงบนะต้องรู้เนื้อรู้ตัวนะกรทั้งโลกธาตุดับไปเหลือแต่จิตดวงเดียวนะี่ยังไม่ขาดสติเลยนะ ต้องมีสติตลอดนะขาดสติเมื่อไหร่็รัจิตเป็นอกุศลเมื่อ น, นั้นแหละวันนี้หมดละมีคนส่งกันบ้านสองคนนะหลวงพ่อก็จะไปละมีอะไรไหมไม่มีจะได้ไปเครื่องปัจจัยทยทานทั้งหมดนะหลวงพ่อขอถวายให้ที่นี่แหละมาแต่ตัวก็ไปแต่ตัวละ